ช่วงที่ผ่านมาก็ตามรู้ตามดูเจ้าค่ะบางขณะจิตที่สติตั้งมั่นเนี่ยก็มักจะเห็นตัวเองไม่ใช่ตัวเราเจ้าค่ะก็เห็นเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเจ้าค่ะทุกครั้งที่เห็นอย่างนี้ก็จะตกใจจนมีอยู่วันหนึ่งเจ้าค่ะล้างมืออยู่มันก็เห็นว่าไม่มีไม่ไม่ใช่ตัวเราเป็นหุ่นยนต์แต่ก่อนที่มันจะตกใจมันเห็นจิตเล็กๆนิดเดียวเจ้าค่ะว่ามันกลัวกลังมันไม่ตัวเราเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยตามรู้ตามดูไป เราภาวนาได้ครึ่งทางครึ่งทางของการบรรลุพระโสดาบันคือเบื้องต้นเรยจะต้องมารู้กายรู้ใจพอเห็นมันไม่ใช่เราแล้วเริ่มเห็นแล้วเห็นเกิดดับเกิดดับไปปัญญามันแจ้งไม่ใช่เรากลัวนะบางคนกลัวบางคนตกใจบางคนรู้สึกวางเวงใจหายว่าตัวเราหายไปแล้วสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเอง ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วพบ ว, ว่าตัวเราไม่มีคนกลัวเลยอะไรคนกลัวให้รู้ลงไปอีกกลัวก็รู้นะความกลัวที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับสภาวะธรรมอย่างอื่นนั่นแหละดูลงไปมันก็เป็นไตรลักษณ์ในที่สุดใจมันจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นแล้วคราวนี้มันก็ดูสภาวะต่อไปอีกมันก็เห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทุกอย่างชั่วคราวพอปัญญามันมากแก่กล้าจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยจิตมันจะนิ่ง จิตจะเข้าถึงความสงบเป็นกลางรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางเนี่ยมาถึงคีย์เวิร์ดตัวนี้นะพภาวนากันหนักหนานะกว่าจะเข้ามาถึงรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางจริงๆรู้แล้วไม่ปรุงต่อเมื่อจิตรู้สภาวะโดยไม่ปรุงแต่งนีถึงจุดหนึ่งนะจิตจพลิกตัวไปเห็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งเห็นนิพพานเห็นฉับพลันเห็นตรงนั้นเราก็เอาตัวรอดได้ล้ปิดอบายเอาตัวรอดได้ ถ้ฝึกเอานะถ้าเราไม่เห็นสภาวธรรมนันแรกเลยไม่เห็นสภาวธรรมเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาเห็นสภาวธรรมแล้วก็เห็นมันนิ่งๆไปเพ่งไปจ้องอยู่ก็ไม่ใช่วิปัสนาเห็นสภาวธรรมเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอันนี้เป็นจุดตั้งต้นของวิปัสนาเรียกว่าอุทยพยยญญาณพอเห็นไปเรื่อยเห็นไม่ว่าอะไรเกิดนั่นก็ดับเกิดอะไรแล้วก็ดับดับดับดับเรียกว่าพังขยาน ถัดไปนั่นใจมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเบื่อบางคนรู้สึกเบื่อเวลาเบื่อเนี่ยเบื่อทุกสิ่งเหมือนเหมือนกันเบื่อสุขกับทุกเท่าเท่ากันเบื่อดีกับชั่วเท่าๆกันเบื่อภายในกับภายนอกเท่าเกันเบื่อหยาบกับละเอียดเท่าเากันทุกอย่างเท่าเทียมกันเบื่อใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าจะเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งหรือบางคนจะเกิดความรู้สึกกลัวตัวเราหายไปแล้ว สิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเองอยู่มาวันหนึ่งตัวเองหายไปไหมอย่างเรามีแหวนเพชรสักวงเรารักมากหายไปเรายังใจหายเลยตัวเราเรารักยิ่งกว่าแหวนเพชรอีกยอมสละแหวนเพชรนะเพื่อรักษาไม่ให้ผู้ร้ายตัดนิ้วเห็นไหมรักนิ้วมากกว่าแหวนนี่ตัวเราหายไปนะมันใจหายมันกลัว จำไม่ได้เว้หลังหรือหวงโปนะท่านบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่มันรักตัวเองกลัวว่าตัวเองจะไม่มีกลัวตัวเองจะร่วงหล่นไปสู่ความว่างเพราะฉะั้นถ้าไม่หยิดหยิบฉวยรูปธรรมก็ต้องหยิบฉวยนามธรรมาเอาไว้ต้องยึดเอาไว้สักนิดหน่อยหนึ่งไม่ยึดแล้วก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะร่วงหล่นไปนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราพบว่าวันหนึ่งนะยิ่งเราทิ้งได้นะั่นแหะเรายิ่งมีความสุข พระพุทธเจ้าถึงสอนนักหนาให้เรามารู้ขันห้าขันห้าคือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองกายกระใจที่ผ่านมาเราทิ้งไม่ได้เรารักที่สุดเลยแค่เริ่มเห็นว่าไม่ใช่เรายัางทนไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปอีกจนปัญญามันแทงตลอดขึ้นมานี่มันทุกข์ล้วนๆขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆคราวนี้มันจะรีบสลัดทิ้งเลยไม่หวงละไม่ใช่กลัวว่าจะหายไปจะสลัดคืนให้โลกเข้าไปเลย ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกก็เอาคืนไปจิตใจก็เป็นแค่ธาตุชนิดหนึ่งเป็นวิญญาณธ า, าตุเป็นนามธรรมทั้งหลายมันก็เป็นของโลกอีกไม่ใช่ของเราก็คืนไปแล้วกลายเป็นว่ามีความสุขที่สุดเลยเพราะพ้นจากตัวทุกขนี่อัศจรรย์มากธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราไปเรียนเราก็รู้สึกแค่ว่าสมเหตุสมผล แต่ถ้าไม่ได้เรียนนะชอบคิดเอาเองชอบมั่วเอาเองก็จะไม่รู้สึกว่าสมเหตุสมผลนะแต่ว่าเชื่อเชื่อเพราะว่าเคยเชื่อบุญญาตายายเชื่อมันก็เชื่อตามเานะ้าแต่ถ้าศึกษาอย่างพวกที่เรียนอภิธรรมเนี่ยจะรู้สึกสมเหตุสมผลแต่ถ้าภาวนาจนเราเห็นของจริงแล้ยิ่งอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกแล้วทาไมท่านวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ค้นพบมาได้ยังไงนะเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ เรามีแต่จะพากายพาใจหนีทุกข์ท่านก็ บ, บอกว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์แลท่านให้สลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปก็พ้นทุกข์ของเรามีแต่ว่าจะต้องกีดกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมากระทบกายกระทบใจนมันกันไม่อยู่บางทีก็กันได้บางทีก็กันไม่ได้ความสุขที่เราดิ้นรนค้นคว้าหานะมันเลยอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยแต่ถ้าเนี้ยรู้ลงมานะมันทุกข์ล้วนๆกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์สลัดทิ้งนะก็ลกลับพ้นทุกข์นะเรื่องแปลก รักษากายรักษาใจเอาไว้ไม่พลทุกรักษากายรักษาใจมันทําได้หลายแบบตามสติปัญญานะคนทั่วๆไปมันก็วิ่งหาผัสสะที่ดีมีผัสสะที่ดีแล้วจะได้กายจะได้มีความสุขจิตใจจะได้มีความสุขนี่ผัสสะมันมีดีมันก็ต้องมีผัสสะที่เล็วบางคนฉลาดขึ้นมาหน่อยก็พยายามรักษาจิตเไว้เอาเร า, เราเจ็บป่วยไม่เป็นไรนะแต่ว่าจิตใจเราสบายก็แล้วกันนี่ยังถนอมรักษาจิตเอาไว้อีก ถึงจุดสุดท้ายซึ่งไม่มีใครเค้าสอนกันหรอกนะมีแต่พระพุทธเจ้าถึงสอนได้ที่ว่าจิตนี้ไปเป็นตัวทุกข์พอเห็นตัวนี้แล้วสลัดคืนโลกกลับพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอศัศจรรย์ที่สุดพอพ้นแล้วนะจะรู้เลยอศัศจรรย์จริงๆเลยแต่เดิมเรียนอริยสัจอ่านริยสัจนะก็เหมือนเข้าใจตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็เคยอ่านอริยสัจหลวงพ่อเคยอ่านมาแต่เด็กก็ น, นึกว่าเข้าใจโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น ชอบอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธาธาตุไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านก็ดีแหละแต่เราเป็นโง่เองอ่านแล้วไม่เข้าใจตีความแบบผิดๆตีความว่าตายแล้วศูนย์อะไรเงี้ยตีความว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีชาติหน้าไม่มีอะไรเงี้ยนี่พวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเลยวันหนึ่งบุญนะไปเจออาจารย์สุชีพบุญญาณุภา พ, พไปทํางานกับท่านตอนนั้นท่านเป็นกรรมการศาสนา กรรมการอนุกรรมการาศาสนาอยู่ในกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติอยู่ที่ทำเนียบได้เจอท่านเจอท่านอาจารย์ประยุทธ์เจออะไรเงี้ยท่านมากันพวกนักปราศทั้งหลายเราเด็กโง่เหมือนมัวเหมือนกวายนะเข้าไปอยู่ใกล้นักปราศนะเลยได้ความรู้ความเข้าใจเราไปพูดโง่โง่ไปให้ท่านได้ยินเข้าว่าตายแล้วศูนท่านมองหน้าเลยนะแล้วท่านกวักมือเดี๋ยวเลิกประชุมแล้วคุยกันหน่อย คุยกันหน่อยนะพอเลิกประชุมแล้วคลานเข้าไปหาท่านเขารบท่านเหมือนท่านเป็นพระวงหนึ่งอาจารย์ปุชรุชีปุญญาณุภาพที่เขียนพระไตรปิฎกประชาชนเข้าไปกราบท่านเลยนะกราบท่านท่านบอกว่าคุณไม่ฉาทิฐินะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านก็ยกพระไตรปิฎกจำพระไตรปิฎกได้เยอะมากเลยนะเล่มนี้หน้านี้นะหัวข้อนี้ว่าอย่างนี้นี่นี่ท่องบาลีก่อนแล้วแปลไทยด้วย คนไร่ก้มโลอาสัญเราฟังฟังไปเฮ้ยเราเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆนะท่านแก้ให้นะเสร็จแล้วโอ้ทาไมอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธธาตแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิได้มีเวลานะลงไปกราบท่านไปกราบท่านนะแล้วก็ท่านก็มานั่งที่เก้าอี้หินท่านอ่ะเก้าอี้นั้นท่านนั่งองค์เดียวเต็มเลยพอท่านมานั่งปุ๊บไอไก่มันยิ่งเกาะ ไม่รู้เอกลักษณ์ของท่านนะต้องมีไก่เป็นภาหนะครับฉวยโอกาสนะนั่งใกล้ท่านก็ น, นวดท่านไปด้วยขยับน้องท่านนวดนวดแล้วก็ชวนท่านคุยนะถ า, นถามนวดถามนี่เสร็จแล้วถามท่านท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เขียนบอกว่าตายแล้วศูนย์จริงเหรอ <S <S <S ท่านมองหน้าคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอ ถ้าอาจารย์ครับถามอีกข้อถ้าอาจารย์คาารับอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ให้หมดเลยเนี่ยผมจะรู้ทําได้ไหมรู้ไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติพูดอย่างนี้นะรู้ไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาเสร็จแล้วท่านก็หายใจทําอานาภาณสติ <laughs> <laughs> เราดูเวลาเราไปเรียนธรรมะนะขนาดครูบาอาจารย์เป็นนักปรารถนขนาดนั้นเราไปเรียนเรายังโง่กลับมาได้เพราะอะไรเพราะฐานเดิมของเรามันโง่ หลวงปู่มั่นท่านถึงสอนไงว่าธรรมะเข้าไปอยู่ในจิตของปุถุชนนะจะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปอัตโนมัติเลยมันจะเพียนอัตโนมัติโดยเราไม่ได้เจตนาหรอกเพราะงัน้นเราอย่า ก, กังวลใจนะที่พวกเราในความเป็นจริงพวกเราขณะนี้เกือบทั้งห้องเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนไว้สูตรหนึ่งนะบอกว่าสัมมาทิฐิเนี่ยจะพัดพาจิตเนี่ยนะไปสู่นิพพานคือถ้าใครมีสัมมาทิฐิเนี่ย วันหนึ่งจะนิพพานสมาธิิไม่ใช่แค่เรียนปริยัติจบอภิธรรมปริเชิดเก้าไม่ใชนะ่หรือนักทำเอกหรือบาลีนะปริเรียก้าไม่ใช่สมาธิิจริงๆเนี่ยเกิดกับพระโสดาบันเท่านั้นเองพระโสดาบันละความเห็นผิดแล้วว่ากายกระใจเป็นเราไดนะ้เป็นต้นทางแห่งการตรัสรูต้ต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยคือบุคคลที่จะถูก สัมมาทิฏฐิพัดพาไปสู่ทะเลคือนิพพานแต่ว่าหลวงพ่อเวลาพูดกับพวกเราก็พูดเอาใจให้กำลังใจนิดหน่อยนะว่าพวกเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะแต่เป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัตนะิเนี่ยพูดให้เพร้อหน่อยนะความจริงมิจฉาทิฏฐินะอย่างบางคนถ้าไม่เห็นว่าตายแล้วเกิดก็เห็นว่าตายแล้วศูนย์อะไรเงี้ยเนี่ยมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลย เห็นไหมฟังแค่นี้ก็เริ่มยอมรับสภาพแล้วใช่หมว่ามิจฉาทิตฐิ <c oughs> ค่ยฝึกนะวิธีที่จะเกิดสัมมาทิตฐิจริงๆก็ต้องดูกายดูใ จ, จเจริญสติปัฏฐานไม่มีวิธีอื่นหรอกต้องจเจริญสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจร่ำไปรู้จนมันพอนะช่วงไหน ร, รู้ไปแล้วจิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมาต้องทำความสงบเข้ามาให้จิตใจมีความสงบให้จิตใจมีความสุขให้จิตใจได้พักผ่อนให้จิตใจผ่อนคลาย พอจิตใจเราผ่อนคลายแล้วรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้จิตใจยอย่างที่เขาเป็นรู้เรื่อยไปรู้จนวันหนึ่งเขาพอเขาพอของเขาเองเขาตัดของเขาเองอย่างหลวงพ่อก็เทศของหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะแต่ละคนคล้ายๆมีแก้วน้ําอยู่คนละใบหลวงพ่อก็เติมน้ําให้วันละหยดสองหยดไปเรื่อยนะเราก็ต้องไปเติมเองด้วยในการเจริญสติไปวันหนึ่งน้ําเต็มแก้วนะแต่อย่าให้แก้วรั่วก็แล้วกันนะ เติมลงไปเท่าไหร่ก็วันนี้ได้ครึ่งแก้วแล้วมาอีกทีนึงเอ้าหายวิ่งแล้วจะมาขอพลังหลวงพ่ออีกแล้วบางคนจะมาขอบารมีบารมีหลวงพ่อหลวงพ่อก็เอาไปใช้หมดแล้วนะบารมีของเราเราก็ต้องทำเอาเองต้องสู้เอาเองนะอย่าขี้ขอชาวพุทธไม่ใช่นักขอชาพุทธคือนักธรรมลงมือต่อสู้ด้วยตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจแต่ไม่ใช่สู้โง่ ต้องสู้ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คนในโลกนี้ดิ้นรนคน้นคว้าหาทางพ้นทุกข์มาตลอดตั้งแต่มีมนุษย์มาก็คงดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์มาตลอดนั่นแหละแต่ไม่มีใครค้นพบเส้นทางนี้มีแต่พระพุทธเจ้าค้นพบเราอย่านึกว่าเราเก่งนักหนาจะค้นพบด้วยตัวเองนะในยุคนี้ในสมัยนี้ไม่มีใครที่จะค้นพบเส้นทางด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราต้องฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนการเจริญสติ ทำสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้กายอย่างที่กายเข้าเป็นด้วยจิตที่เป็นกลางมีสติระลึกรู้จิตอย่างที่จิตเข้าเป็นด้วยจิตที่เป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางเด้วยรู้แล้วไม่ทําอะไรต่อถ้ารู้แล้วไม่เป็นกลางรู้แล้วยินดีรู้แล้วยินร้ายจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งต่อไปอีกแต่ถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อถึงวันหนึ่งจิตจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานนี่จิตที่ไม่ปรุงแต่งนะเราจะไปแต่งเอาเองไม่ได้ บางคนพยายามจะไม่ปรุงแต่งจะไม่ให้จิตปรุงแต่งไปทำจิตให้นิ่งนิ่งว่างว่างอันนั้นแหละปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วจิตจะไม่ปรุงแต่งได้ด้วยปัญญาเท่านั้นเองมีปัญญาเห็นแจ้งว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันไร้สาระหาสาระแกนสายไม่ได้จิตมันจะเลิกดิ้นรนปรุงแต่งของมันเองดิ้นรนชั่ววับเดียวนะก็เข้าถึงธรรมะแนละ้นี่หลวงพ่อเหมือนคนปลูกต้นไม้นะต้นไม้ของหลวงพ่อเริ่มมีดอกมีผลขึ้นเป็นลําดับลําดับแล้วนะ ต่อไปต้นต่อไปอาจจะเป็นพวกเราก็ได้อาจจะเป็นเราเองแต่ละคนก็ได้คนที่ผ่านไปผ่านไปนะก็บอกว่าง่ายๆไม่ได้ทําอะไรรู้ไปลูกเดียวรู้ลูกเดียวนะมีคำเนี้ยคีย์เวิร์ดจริงๆเลยรู้ลูกเดียวแต่ไม่ใช่รู้โง่โงนะรู้อย่างสักว่ารู้รู้อย่างศักว่ารู้ใจไม่ถลำลงไปรู้มันจะเห็นความจริงแลเห็นความจริงหมดความปรุงแต่งก็ขาดกันตรงนั้นเลยไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งครอบโลกครอบจักรวาลอยู่อย่างนั้นเลย แต่เสร็จแล้วทรงอยู่ไม่ได้จิตใจเข้าไปสู่ตรงนี้แล้วก็เสื่อมลงมาอีกทรงอยู่ไม่ได้อาสวะกิเลสกลับมาห่อพุ่มปกคลุมจิตอีกต้องตัดครั้งที่สองก็ยังไม่พ้นตัดครั้งที่สามไม่พ้นต้องตัดถึงสี่ครั้งถึงจะขาดห้าครั้งก็ไม่ได้นะสามครั้งก็ไม่ได้บางคนมาบอกหลวงพ่อนะมาเล่าประวัติการปฏิบัติเนี่ยได้โสรดญาณมาเท่านี้รอบเท่านี้รอบแล้วสิบหกครั้งเนี่ย ได้เท่านี้รอบแล้วได้ได้แปดรอบสิบรอบแล้วนึกว่าเป็นพระอราหันต์มาสามสี่ห่นแล้วไม่เป็นไม่เป็นเพราะกิเลสมันกลับขึ้นมาได้อีกค่อยฝึกไปนะคนที่มาเรียนในห้องนี้นะจิตใจก็สว่างสวยมากขึ้นมากขึ้นต้องฟังแล้วฟังอีกฟังด้วยความอดทนฟังด้วยใจที่เปิดกว้างต้องเปิดกว้างนะถ้าฟังด้วยใจที่ปิดเต็มไปด้วยของเก่าฟังไม่รู้เรื่องหรอก ถ้าของเก่าดีจริงก็พ้นทุกไปแล้วล่ะมั้นไม่ดีจริงสิถึงยังทุกอยู่นั้นเปิดใจกว้างๆนะเรียนรู้สิ่งใหม่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกำหนดนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกขังอริยสัจจังปริญญยยังทุกเป็นสิ่งควรรู้รอบทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบรู้รอบคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญา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 รู้ด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์วิปั ส, สนาต้องเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นั้นต้องรู้ด้วยสติและปัญญารู้ด้วยสติอย่างเดียวไม่ได้บางคนไปเดินจงกรมนะเอาจิตไปจ่อไ ว, ว้ที่เท้าเท้าเคลื่อนไหวยังไงรู้หมดเลยอันนั้นไม่มีปัญญาถ้ารู้ด้วยปัญญาจะเห็นในตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราตัวที่โกรธความโกรธนั้นไม่ใช่ตัวเราสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ว่าสภาวะธรรมใดๆจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมาก็ตามล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเรา นี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถึงความบริสุทธิ์เป็นยงไงถึงพระอรหันต์นั่นเองบุคคลไปถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากมีสติรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่กําลังปรากฏแต่ปัญญามีสติรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีเงื่อนไขที่สําคัญที่ให้เกิดปัญญาคือมีสัมมาสมาธิในพระพิธรรมถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิสมาธิที่พวกเราฝึกอยู่เกือบทั้งหมดคือมิจฉาสมาธิสมาธิเพ่งสมาธิจ้องสมาธิบังคับสมาธิกาหนดสมาธิเครียดเครียดแข็งแข็งสมาธิเคลิ้มเคลิมสมาธิลืมเนื้อลืมตัวสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาสมาธิทั้งสิ้นหรือสมาธิเข้าไปนอนแช่รู้ลมหายใจก็ไปนอนอยู่กับลมแช่จิตลงไปแช่กับลม รู้ท้องผ่องยกจิตไปแช่อยู่ที่ท้องรู้เท้ายกเท้า girl, ย่างเท้าจิตไปแช่อยู่ที่เท้าขยับมือจิตไปไหลไปอยู่ในมืออย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิถ้าสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ใจมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูสติะระลึกไปแต่ใจเป็นคนรู้เฉยๆใจไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อสติระลึกรู้ใจไม่ปรุงแต่งต่อนะ paper, ใ, จอใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างงั้นเองพอใจมันไม่ปรุงแต่งต่อมันจะเห็นความจริง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 บุญทวีมาถามเรื่องการปฏิบัตินะตอบบุญทวีบอกว่าคนเรามันไปสร้างตัวตนขึ้นมาจากความไม่มีตัวตนในความเป็นจริงตัวตนไม่มีพอพูดประโยคนี้แนละ้วก็มีคนปิ้งขึ้นมาเลยตัวตนไม่มีเห็นโลกธาตุนี่ว่างจากตัวจัดตนเลยนะเห็นธรรมะที่ไม่มีตัวมีตนไปเทศที่สาราลุงชินนะคนตั้งพันพันกว่ารอบที่ผ่านมาเทศกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราก็ฟังกันทุกวันนะ แต่มันยังไม่พ อ, อวันนั้นก็มีคนพอก็ปิ้งขึ้นมานะโอ้ไม่มีเราจริงๆนะโลกธาตุนี้ว่างไปหมดเลยนะงั้นวันหนึ่งพวกเราก็จะปิ้งขึ้นมาได้นะไม่แปกแต่ถ้าไปเพ่งเอาเพ่งเอาก็แป๊กแป๊กนะไม่ได้ปิ้งหรอกนะง่ายพวกที่ปิ้งแล้วนะบอกว่าง่ายทุกคนพวกที่ยังแป๊กแป๊ ก, ปกนบอกยากนะยากเพราะมันยังไม่พอการภาวนาเหมือนการกินข้าวนะ หน้าที่เรากินไปเรื่อยๆแล้วมันอิ่มเองไม่ต้องไปนั่งนึกนะคำนี้จะอิ่มยังคำนี้จะอิ่มยังกินอย่างนั้นเครียดตายเลยมีหน้าที่กินไปแล้วมันอิ่มเองจำไว้นะการภาวนาเหมือนกันมีหน้าที่จเจริญสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางไปแล้วมันอิ่มเองวันที่มันอิ่มมันพอนี่แหละมันจะหมดความปรุงแต่งแล้วมันจะเห็นนิพพานเข้าสู่ความพ้นทุกข์ในลําดับเบื้องต้นเรียกว่าหล่นตกลงในกระแสน้ําแห่งสัมมาทิฏฐิแล้ว ผู้ที่ตกลงในกระแสน้ําแห่งสมาธิฏฐิแล้ววันหนึ่งจะถูกพัดพาไปสู่ทะเลสู่มหาสมุทรคินิพานแต่ขนาดนั้นนะขนาดว่าตกกระแสธรรมแล้วเนี่ยยังมีอุปสรรคขัดขวางรายทางได้อีกเจ็ดแปดอย่างเพราะงั้นบางคนตกกระแสน้ำแล้วยังใช้เวลาอีกเจ็ดชาติกว่าจะถึงทะเลแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าพูดธรรมะให้ลดระดับหน่อยไม่ถึงขนาดพระโสดาบันเอาคนทั่วๆไปบางคนเน่าใน ทุศีลเนี่ยพระโสดาบันไม่มีงั้นธรรมะอันนี้ท่านก็ เ, เทศไว่ไะนะวทที่ทีนะ่ไี่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไี่้ถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่หถ่ไถ่ไถ่ลถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถใไถ่ไถ่ที่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถาา่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถัไถ่ไถ่ไถ่เจ้าท่ไถเออเ่ไถ่ไถนะ่ไถ่ ร, ร, รถ่ไท่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ิ ท่านก็อนุโลมอย่างที่หลวงพ่ออนุโลมนั่นแหละเอาพวกมิจฉาทิฏฐิว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วดีนะถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะไหลไปสู่นิพพานอย่าเน่าในนะเน่าในคือทุกศีลอย่าถูกเกลียวน้ําวนไว้นะน้ําวนคือกามเนี่ยอย่าไปเกยตื้นนะคืไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งอย่าถูกมนุษย์จับไว้นะคืออย่าติดในสมัครพรรคพวกห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ลืมห่วงตัวเองอย่าถูกอามนุษย์จับไว้นะอย่าหาแต่ความซาความสนุกสนานเพลิดเพลิน หาเกียรติยศชื่อเสียงจากการปฏิบัติปฏิบัติรอบดังได้เป็นอาจารย์ใหญ่ดังรู้สึกสุดเท่เรียนอะไรไม่ได้จริงหรอกพวกอาจารย์ใหญ่มาที่นี่นะเรียนสู้้ลูกทีมไม่ได้หรอกลูกทีมมาฟังทมนะฟังอย่างสบายอกสบายใจยปิ้งปงิอาจารย์กลุ่มใจนะกลุ่มใจเดี๋ยวหลวงพ่อสอนไม่เหมือนที่เราพูดคนจะเลิกนับถือเราเนี่ยแบบอาจารย์สัญชัยปริภาชกอะฟังไม่ได้หรอกไม่รู้เรื่อง เรียกว่ามันไปเกยตื้นไปแล้วหรือไปถูกอมนุษย์จับไว้คือไปถูกชื่อเสียงว่าเป็นอาจารย์กรรมฐานจับเอาไว้แล้วลำบากติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวานะคือติดในธรรมที่เป็นคู่บางคนก็เพ่งอยู่ในอายตนะภายในคือเพ่งอยู่ที่ประสาทตาบางคนไปเพ่งอายตนะภายนอกคือไปเพ่งที่รูปบางคนมันเพ่งอยู่ที่ผัสสะบางคนเพ่งอยู่ที่วิญญาณจิตอย่างเงี้ยนะเพ่งเพ ง, เพง พวกนี้ไปติดติดข้างในติดข้างนอกติดอายตนะภายในอายตนะภายนอกติดสิ่งที่เป็นคู่ติดสุขติดทุกข์ติดดีติดชั่วติดสิ่งที่เป็นคู่คู่ก็นิพพานไม่ได้งั้นค่อยเรียนนะค่อยฝึกแปลรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางจะไม่ไปเกยตื้นอยู่ที่ใดที่หนึ่งมีศีลไว้จะได้ไม่เน่าไน่คนเน่าไน่ไปไม่รอดนะคนเน่าไน่ไปไม่รอดมาเน่าแถวนี้หลวงพ่อไล่เอานะ ถ้าเน่าก็สอนนะสอนสอนสอนไม่ไหวก็ต้องไล่มาจะมาพาคนอื่นเขเน่าไปด้วยไม่ได้งั้นอดทนนะอดทนหลวงพ่อไม่เรียกเก็บเงินเก็บทองไม่เรียกนะฟังฟรีฟังไปเรื่อยๆอดทนฟังไว้เอาซีดีไปฟังด้วยคนที่ฟังแล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานับไม่ถ้วนนะความรู้สึกตัวเนี้เป็นต้นทางที่จะเดินไปในเส้นทางสายมครคนี้รู้สึกตัวให้เป็นก็จะรู้กายรู้ใจได้ รู้กายรู้ใจได้วันหนึ่งก็จะเห็นความจริงของกายของใจเกิดปัญญาในที่สุดก็เกิดมรรคในจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้นี่เส้นทางนี้ไม่มีเส้นทางที่สองแลนี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่พูดถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นทุกคนเดินตามเส้นทางนี้เมื่อก่อนเขียนไว้นะบอกว่าอะไรนะคนทางยังมีอยู่ผู้เดินทางยังไม่ขาดสายใช่ไหมลงมือซะแต่วันนี้ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลาจะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป เพราะถ้าถึงวันนั้นนะเราจะระหุกระเหินอีกแสนนานลงมือแต่วันนี้นะลงมือจเจริญสตินะไม่ใช่ลงมือทําอย่างอื่นอย่างอื่นทํามาเยอะแล้วลงมือจเจริญสติหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจกายเป็นยังไงรู้มันไปจิตเป็นไงรู้มันไปฝึกอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นลําดับลําดับไปต้องสู้นะเส้นทางนี้ต้องอดทนอดทนอย่างแรกเลยอดทนต่อคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ต้องอดทน อดทนอันที่สองนะอดทนต่อความยากลาบากทางร่างกายนะอย่างบางทีจะมาเรียนใช่ไหมต้องตื่นนอน <c oughs> ต้องเบิงตาตื่นไม่ขึ้นนะต้องทรมานนะอุตส่ามาภาคเพียนมาเหน็ดเหนื่อยนะมาเรียนได้ชั่วโมงกว่าๆขับรถกลับบ้านเปได้เแบบนี่นเนยเสียเวลาไปนหนึ่งวันนะเลยเหนื่อยนะต้องอดทนต่อความลาบากทางกายอดทนต่อกิเลสนี่ตัวสำคัญเลย ต้องอดทนต่อกิเลสตัณหาที่มันจะมายั่วยวนให้เราไม่ปฏิบัตินะมายั่วยวนให้เราเลิกรู้กายรู้ใจตัวนี้ต้องอดทนมากเลยนะอาศัยความอดทนนี้นะถึงจะผ่านไปได้เรียนให้รู้หักแล้วอดทนปฏิบัติไปด้วยความอดทนรู้กายรู้ใจไปนะจุดอ่อนของคารวัตนั่นะคือไม่อดทนไม่ต่อเนื่องทําบ้างหยุดบ้างหย่หย่แย ะ, แยะนะอยากได้ของดีนะแต่ยอแยะไม่ได้กินหรอกนะรัชกาลที่6กท่านแต่งกรอนบอกอะไรนะ ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วงใช่ไหมคงชวดดวงบุพชาติสะอาดหอมไม่คิดสอยนะนั่งเมื่อไหร่จะบรรลุ <c oughs> บรรลุอะไรบรรลุโมหะสิใช่ไหมต้องสู้นะขี้เกียจก็อย่าไปปล่อยให้ความขี้เกียจครอบงำขี้เกียจได้แต่ต้องปฏิบัติลุกขึ้นมาเดินจงกรมลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวนะต้องข้มแข็งนะต้องอดทนนะ ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้อย่ามาพูดเลยว่าจะอยากได้มรรคผลนิพพานไม่ได้อยากจริงอยากแต่ปากอยากแต่เวลามาพูดเอาใจหลวงพ่อนะว่าหนูอยากนิพพานพูดเอาใจเราล้ำหลังเราไปช้อปปิ้งเพลินเลยเห็น ไ, ไหมต้องสู้นะต้องเด่นเดี่ยวไม่มีอะไรสําคัญเท่าอดทนเลยหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่ออดทนอดทนในการเรียนรู้ตัวเองอดทนมากเลยนั่งรถไฟมาจากสุรินทร์นะีมาถึงกรุงเทพเนะ จิตหลุดออกมาได้ขณะเดียวดีใจล้เออจริงดีนี่พัฒนานอะอีก7วันนั้นไม่เคยหลุดมาเลยนู่นดูทุกวันเลยทํายังไงมันจะหลุดออกมาได้รู้ตัวขึ้นมาได้อีกสักขณะหนึ่งดูอยู่ตั้ง7วันนะหลุดออกมาได้สองสาแว็บก็ดีนะดีปลอบมันนะเนี่ยเห็นไหมมีพัฒนาการแล้วหลุดออกมาได้ตั้ง20วินาทีอะไรเงี้ยนะทำอยู่7วันเนี่ยทำอีก5วันหยุดมาได้5หลุดมาได้5นาทีก็ดีละดีละ พวกเราต้องสู้นะต้องอดทนไม่มีอะไรสำคัญถ้าอดทนเลยจะทั้งการภาวนาจนกระทั่งในขั้นที่ละเอียดขึ้นไปเนะี่ยก็ต้องอดทนมากเลยอย่างเราภาวนาไปนะดูไปปุ๊บจิตว่างหมดละโลกธาตุนี่ว่างสว่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างราบเสมอเป็นนากลองหมดเลยมีแต่ความสุขอยู่ตรงนั้นแหละแต่และ ว, วันก็เป็นอย่างนั้นอีกแต่และ ว, วันก็เป็นอย่างนั้นอีกต้องอดทนนะต่อความสุขตรงนี้ อดทนต่อความดีตรงนี้อดทนต่อความแขวนป้ายไว้ว่าเป็นพระอริยะชั้นสูงอุ้ยเราคงบรรลุแล้วล่ะอะไรเงี้ยต้องทนนะในการที่จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ทิ้งแสนดีที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพราะความโง่แท้ๆเลยนะเรานึกว่าดีพิเศษมากเลยเราปรุงแต่งจนกระทั่งว่างโล ก, กาธาตุนี้ว่างไม่มีอะไรเลยนึกว่านิพพานดูไปหลายวันด้วยความไม่นิ่งนอนใจว่าจบกิจแล้วดูไปเรื่อยๆมันหมองได้อีก นี่มันไม่จบจริงนะยีเรศแทรกเข้ามาอีกล้โมหะแทรกแทรกมาได้ยังไงนี่แสดงว่าไม่ใช่ล้ไม่ใช่ใจหายไม่ใช่หายนะเหนื่อยแทบตายเลยสร้างขึ้นมาแล้วพบว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ทํำยังไงก็โยนมันทิ้งไปสิอย่าเอาทําไมล่นะครั้งที่หนึ่งก็ยังพอสู้นะครั้งที่สองครั้งที่สก็เป็นอย่างนี้อีกภนะาวนาไปพริกแปลงไปสารพัดรูปแบบเลยจนวันหนึ่งนะทอ้อใจล้ถอดใจโอ้ว่าสนาเราคงได้แค่นี้แล้วชาตินี้ไม่จบหรอก ทำได้แค่นีนะ้คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดหน้าเน็ตอนาดนะแต่ช่างมันเถอะได้แค่นี้ก็แค่นี้นะแค่นี้ก็แค่นี้ใจหมดความดิ้นรนนะเพราะาภาวนาดิ้นรนสุดขีดจนหมดแรงจะดิน้นดิ้นจนหมดแรงดิน้นะสู้จนกระทั่งหลังชนกำแพงแล้วก็ยืนให้เขาชกก็ไม่หนีไปไหนที่หนีไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่จะหนีแล้แต่เดิมเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไปที่อื่นเราพ้นทุกข์ใช่ไหม ตอนนี้จิตนี้คือตัวทุกข์จิตเป็นตัวทุกข์แล้วจะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนจิตมันก็ไปกับเราด้วยไม่มีที่จะหนีนะในสังสารวัฏไม่เหลืออะไรสักย่างก้าวเดียวที่จะให้เหลือให้ยืนอยู่อย่างมีความสุขได้เลยนี่ต้องภาวนาจนถึงขนาดนี้ใจถึงจะกล้าหานที่จะทิ้งโลกไปได้เพราะมันเห็นแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะถ้ายังเห็นว่ามีหย่อมนี้เป็นโอเอซิสอยู่นะไม่มีทิ้งหรอกจะวิ่งไปตะกายไปหาโอเอซิสนั่นแหละ ก็เป็นหลงอยู่ที่โอเอซิสตั้งนานนะไม่กล้าไปต่อไม่ได้นะเราไปอยู่โอ้ตรงนี้และมีความสุขละพ้นทุกข์ไม่มีอะไรแพ้วผ่านได้เลยใครมาว่าอะไรก็ไม่สนใจนะมีแต่ความสุขล้วนๆเหมือนเราอยู่ในโอเอซิสและแต่เรารู้พอเรารู้ว่านี่เป็นแค่โอเอซิสต้องกล้าทิ้งนะเพราะฉะนั้นใครภาวนามาจะวิเศษวิโสแค่ไหนถ้ามันยังไม่พ้นทุกข์ก็อย่าไปติดอยู่ในพอันั้น เรียนรู้เข้าไปอีกทิ้งมันไปแล้วมารู้กายมารู้ใจเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนับหนึ่งมนะรู้ไปจนวันหนึ่งมันพอนั่นแหละเหมือนมันอิ่มมันกินข้าวจนอิ่มมันพอแล้วมันก็ตัดของมันเองนี่ครบ8ดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวหาเหนื่อย